วันนี้ <c oughs> เป็นวันอาทิตย์ที่สิบอกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง7ห้าสเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาศึกษามาเรียนรู้ก็ทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเพราะพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนยารักษาโรคยาก็มีไว้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเวลาเราปวดหัวปวดท้อง ปวดอะไรเจ็บอะไรเราก็ต้องไปหายาเอายาที่รักษาโรคที่เราเกิดขึ้นได้พอเราได้ยาที่ถูกกับโรคโรค ก, ก็จะหายไปใจของพวกเราก็เหมือนร่างกายร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บใจของพวกเราก็มีโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันแต่สาเหต ของของของของของความไม่สบายความทุกข์ใจนี้ของของใจนี้ไม่เหมือนกับสาเหตุของทางร่างกายสาเหตุของทางร่างกายมันจะเป็นพวกรูปธรรม ท, ทั้งหลายเช่นเชื้อโรคชนิดต่างๆที่ทำให้เกิด <c oughs> อาการเจ็บไข้ เช่นที่เรามีเชื้อโรคโควิดนี่ใครถ้าติดเชื้อโรคโควิดก็จะต้องเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะหายก็ต้องไปหายาไปหาหมอเพื่อรับยามารักษาให้เหตุที่ทำให้เชื้อสาเหตุที่ทำให้โรกใครไข้เจ็บเกิดขึ้นมาให้มันหายไป อ, อยาเข้าไปทำลายเชื้อโรคได้ห <c> ร <oughs> ือต้านเชื้อโรคได้แล้วก็สร้างภูมิขึ้นมาสู้กับเชื้อ โ, <c oughs> โครคโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปได้อันนี้เป็นเหตุของความไม่สบายของร่างกาย <c oughs> เกิดจากเชื้อโรคชนิดต่างๆหรือเกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกาย หรือการแปรปวนของอวัยวะเนื่องจากเอาสารพิษต่างๆเข้าไปในร่างกายก็เลยทําให้อวัยวะต่างๆทํางานไม่ปกติเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาเป็นต้นอันนี้เป็นโรคทางร่างกายเหตุของเหตุ ข, ข, อ, ง ข, ของโรคภัยค่าเจ็บทางร่างกายก็คือเชื้อโรคต่างๆนี้หรือความเสื่อมหรือ สารพิษต่างๆที่เราเสพเข้าไปในร่างกายส่วนเหตุที่ทำให้ใจของพวกเราทุกนี้มันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นเป็นตัวเป็นตนมันเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกของของใจสร้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากเกิดจากความอยากสามประการด้วยกันคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสผิดสภาพอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผิดสภาพก็เลยพาให้ใจที่ไม่มีร่างกายใจที่เป็นดวงวิญญาณ ก็จะไปเสา ะ, ะแสวงหาร่างกายมาเกิดพอได้ร่างกายมาแล้วก็ไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแล้วก็เกิดความอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่ความเป็นจริงของร่างกายทุกร่างกายที่พอเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปก็ต้องแก่ลงไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดใจที่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ mm hmm. ก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ทุกครั้งที่เห็นความแก่ของร่างกายเห็นความเจ็บของร่างกายเห็นความตายของร่างกายแม้นจะไม่ใช่เป็นของเราเอง ก, ก็ตามเช่นบางทีเราเห็นคนที่เขาตายไปทางขา่าวต่างๆเราก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาและเพราะว่าเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเราก็จะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกัน นี่คือความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้เพราะความเป็นจริงร่างกายของคนเราทุกคนเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและนี่คือ ความทุกข์ใจของพวกเราทุกคนที่มาเกิดที่มีมามีร่างกายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นผู้สูงส่งระดับสูงสุดเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีหรือผู้ตาต้อยเช่นเป็นขอทานก็มีร่างกายเหมือนกันร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกัน ใจที่ได้ร่างกายก็มีความอยากเหมือนกันถึงแม้จะเป็นขอทานก็ยังไม่อยากตายกันยังอยากอยู่ไปนา น, านอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกัน <c oughs> อันนี้คือความทุกข์ใจเกิดจากความอยากสามประการด้วยกันความทุกข์ใจนี้ก็เป็นเหมือนความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกาย ที่เราสามารถรักษาให้หายได้เวลาเราทุกข์ทางร่างกายเจ็บทางร่างกายเราก็ไปหาหมอหมอก็วิเคราะห์ดูว่าเกิดจากอะไรพอรู้ว่าเกิดจากเหตุอันใดก็หาวิธีกําจัดเหตุนั้นพอกําจัดเหตุนั้นได้โรค ก, ก็จะหาย <c oughs> ความทุกข์ใจของพวกเราทุกคนนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกันมีเหตุเกิดจากความอยากต่างๆแล้วก็ถ้าเราอยากให้ความทุกข์ใจนี้หายไปหมดไปเราก็ต้องระ ง, งับเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจและการที่เราจะระ ง, งับเหตุได้เราก็ต้องมีมีกำลัง <c oughs> หรือเรียกว่ามียาที่จะมา าความอยากหรือหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจยาที่จะมาต้านความอยากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนี้ <Yeah. S 1> ก็คือธรรมโอสถนี่ธรรมโอสถเป็นยารักษาความทุกข์ใจ <Yeah. S 1> ถ้าเราอยากจะหายจากความทุกข์ใจต้องหายจากการ รับประทานธรรมโอสถยาลยาทางด้านธรรมอย่างทางยาทางด้านธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ว่าคือมรรคมรรคก็คือมรรคที่มีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาอันนี้เป็นมรรคเหมือนปัญญาชนิดเดียวกัน แต่ต่างกันตรงที่ว่าผู้ที่จะกินยานั้นมีสถานภาพไม่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกัน <S <S เวลาพระเวลาพระพุวะวะวะวทธเจ้าให้ยากับพระภิกษุภิกษุนี้ <S <S พระพุทธเจ้าก็ให้มรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญา <S <S คือมรรคแปดนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาโดยย่อนั่นเองเช่นศีลก็มี สัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสัมมาแปบลบว่าการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาก็คือการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชโวก็คือการทํามีอาชีพที่ถูกต้องก็คือมีการกระทําการพูดมีอาชีพที่ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ เพราะถ้าเราไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นความทุกข์นั้นมันก็จะกลับมาที่ใจเราสังเกตดูเวลาที่เราทำบาปเราไม่รักษาศีลเราฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติิประเพณีพูดปดหรือดื่มสรารยาเรา <c oughs> เราจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นนอกจากความอยาก ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์อีกอย่างนึงก็คือการกระทำบาปต่างๆนั่นเองยังนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้ใจทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปเราก็ต้องละเว้นการกระทำบาปด้วยการมารักษาศีลศีลเราก็มีห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณี ไม่ดื่มจุรายาบาวัานนี้ถือว่าเป็นสัมมากัมมันโตการกระทําทางกายที่ชอบส่วนสัมมาวาจาการพูดที่ชอบก็คือการไม่พูดปดละเว้นการพูดปดถ้าเราสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้เราก็จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจากการกระทําและการพูดของเรา อันนี้เป็นส่วนแรกของการปฏิบัติต้องมีศีลก่อนศีลเพื่อเราจะได้ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของเราแต่ศีล น, นี้ไม่สามารถที่จะไปกำจัดตัวที่สร้างความทุกข์ทางใจ <c oughs> คือความอยากต่างๆได้เพียง <c oughs> แต่อาจจะห้ามปรามขัดขวางไว้ แต่ไม่สามารถหยุดหรือทำลายความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปได้การจะทำลายความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปนี้จังเป็นต้องไปเจริญสมาธิจะสมาธิในมรรคแปดก็มีอยู่สามองค์ด้วยกันสา ม, มาวายามโมความเพียรชอบสามมาสติสามมาสมาธิผู้ที่จะต้องการได้สามมาสมาธิ ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสติ <c oughs> สติะระลึกรู้อยู่เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งเรียกว่าสัมมาสติให้ใจรู้เฉยๆรู้ว่าร่างกายกําลังทําอะไรแต่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าใจคิดแล้วจะไม่สามารถทําใจให้นิ่งได้เมื่อใจไม่นิ่งสมาธิก็จะไม่เกิด เมื่อไม่มีสมาธิ <c oughs> ใจก็จะไม่มีกําลังต้านความอยากนั่นเองจึงต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิด้วยการทําความเพียรอย่าง <c oughs> สม่มําเสมอทํายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ายิ่งทํามากก็ยิ่งทําให้ได้ผลเร็วขึ้นถ้าทําน้อยก็จะได้ผลชา้าและอาจจะไม่ทันการ เวลาของร่างกายเพราะร่างกายของเรานี้มันก็มีเวลาของมันมันจะถึงจุดจบเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ถึงแม้ว่าโดยปกติคนทั่วไปก็อาจจะอยู่ได้ถึงร้อยปีก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะเดืออยู่ได้ถึงร้อยปีกันความตายของร่างกายแต่ละคนนี้มันไม่เท่ากันตายก่อนตายหลัง ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสัมมาวายามโมมีความขยันหมั่นเพียรมาสร้างสติมาสร้างสมาธิกันเพราะถ้าเราไม่มี ส, สติเราก็จะไม่มีสมาธิเมืม่อไม่มีสมาธิเราก็จะไม่มีกําลังหยุดความอยากต่างๆความอยากนี่ต้องอาศัย การเคลื่อนไหวของใจของใจการเคลื่อนไหวของใจคืออะไรก็คือการคิดต่างๆนี่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราคิดแล้วก็เกิดความอยากกับเรื่องนั้นเกิดความอยากกับเรื่องนี้คิดถึงขนมก็อยากจะกินขนมคิดถึงอาหารก็อยากจะกินอาหารคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่ม <ๆ S 1> เครื่องดืง่มต่างๆแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดมาให้คิดได้ ความอยากที่เกิดจากความที่จะใช้ความคิดเป็นเครื่องมือก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> หรือถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ถ้ามีกำลังหยุดมันได้เราก็สามารถหยุดมันได้ถ้ามีสมาธิการเข้าสมาธิก็คือการเข้าไปพักหรือหยุดจิตนั่นเองไม่ให้ไม่ให้จิตทำงานปกติจิตจะทำงานตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นไปจนหลับ จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็อยากเรื่องนั้นอยากเรื่องนี้อยากไปทานู่นอยากไปทานี่อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากไม่ได้สิ่งนั้นอยากไม่ได้สิ่ <clears throat> <sk ys> นงนี้เพราะความคิดเป็นตัวนาไปอ๋อไม่มีความคิดก็เลยไม่รู้ว่าจะไปอยากกับอะไรเพราะเวลาใจหยุดคิดใจก็จะว่างเมื่อว่างมันไม่มีเรื่องมีราวให้อยาก ความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นี่คือวิธีหยุดความอยากด้วยการใช้กำลังของสมาธิของสติแต่การหยุดความอยากนี้ด้วยกำลังของสติด้วยกำลังของสมาธินี้มันมันอยากได้ชั่วข่าวมันหยุดได้ชั่วขราวเวลามีสติดีเราก็หยุดความคิดได้ เวลาเราปล่อยสติปล่อยให้ใจคิดเพราะชีวิตของเรามันยังมีความจำเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องราวต่างๆอยู่บ้างเพราะเรายังมีร่างกายมีภารกิจที่จะต้องทำกันก็ต้องใช้ความคิดพอเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องคิดแล้วว่าอันนี้เราต้องทำอะไรบ้างต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันต้องทำมันทาความสะอาดอะไรต่างๆ หรือถ้าเป็นคาราวาผู้ครองเรือนก็ต้องไปทำงานทำการ <c oughs> มันก็ต้องใช้ความคิดพอคิดแล้วเดียวมันก็เผลอไปคิดเรื่องที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาได้ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ถ้าอยากจะให้ความอยากนี้มันหมดไปอย่างถาวรเราจรึงต้องใช้ขั้นต่อไปคือขั้นปัญญาปัญญาก็มีองค์ประกอบอยู่สององค์ในมรรคแปด สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิก็คือให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกของเราเกิดจากอะไรทุกของเราก็เกิดจากสองเหตุด้วยกันคือการกระทําบาปต่างๆสองเกิดจากความอยากต่างๆอยากมีอยากเป็นอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เวลาไม่ได้เสพมันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาเวลาได้เสพความทุกข์ก็จะไม่เกิดแต่พอพอเสพแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการเสพมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็เกิดความอยากที่จะเสพอีกเพราะความอยากมันไม่ได้หมดไปกับการที่เราไปตอบสนองความอยากการตอบสนองความอยากนี้เป็นการ พยุงให้ความอยากนี้อยู่ไปเรื่อยๆพอเราอยากได้อย่างนี้แล้วพอเราได้สิ่งที่เราอยากมาเราก็เกิดความสุขชั่วระยะหนึ่งเดีย๋ยวสักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากความอยากนั้นก็จางหายไปทำให้เรารู้สึกใจเรามีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีความรู้สึกว่ากำลังมันขาดอะไรมันไม่มีความสุขแล้วก็เราต้องคิดอยากอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็จะคิดหาหาเรื่องอยากไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไปเจออุปสรรคเวลาเกิดความอยากแล้วไม่สามารถทำตามความอยากได้ตอนนั้นแหละก็จะเห็นทุกข์ขึ้นมาทันที<ม>เช่นสมัยที่เรามีโรคระบาดใหม่ๆเราถูกห้ามไม่ให้ออกจากบ้านไปตามสถานบันเทิงต่างๆ<ม>ถ้าเราชอบเราอยากไปสถานบันเทิง พอเราถูกห้าไม่ให้ออกไปต้องอยู่บ้านเนี่ยใจเราก็หงุดหงิดล่ะใจของเราไม่มีความสุขใจของเราก็ทุกข์ขึ้นมาต่ <c oughs> างกับคนที่ไม่ได้ไปอยากไปออกนอกบ้านไปหาความสุขตามสถานบันเทิงต่างๆเช่นพระสงฆ์องค์เจ้านี่ท่านอยู่ในวัดนี่ท่านไม่ได้ไปหาความสุขจากสถานบันเทิงต่างๆท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจของท่านไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรถโผฏฐพัชชนิดต่างๆนั่นเองนี่คือสัมมาทิฏฐิทต้องมีความเห็นว่าความทุกข์เกิดจากการกระทำบาปหนึ่งสองเกิดจากการทำความเกิดจากความอยากอยากทําแล้วไม่ได้ทำํทำตามความอยากหรือไม่ได้สิ่งที่อยากได้มาหรือเสียเสียสิ่งที่ได้มาไปก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา วิธีที่เราจะสอนใจไม่ให้อยากก็คือก็สอนให้รู้ว่าเนี่ยถ้าเราอยากแล้วเราจะทุกข์อาจจะไม่ได้ทุกตอนนี้เพราะตอนนี้เราอาจจะได้สิ่งที่เราอยากแต่วันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องเจอกับอุปสรรคหรือเจอกับความไม่สามารถที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้มาหรือทําสิ่งที่เราอยากได้มาพอตอนนั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เช่นเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใด <c oughs> แต่พอเราได้มีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาโดยเฉพาะโรคร้ายเ <c oughs> ช่นโรคมะเร็งเนี่ย <c oughs> พอมันเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาอย่า ง, อ ย, างอย่างรุนแรงเลยเพราะว่า มัน ม, มันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้แต่เราต้องได้มันมามันขัดกับความอยากของเราอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายแต่โลกนี้มันจะทำให้เราตายได้มันก็เลยสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราแต่ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามฝึกฝนศีลสมาธิอยู่เรื่อยๆ ให้เรามีความสามารถที่จะทําใจให้นิ่งได้ทําใจให้หยุดเฉยๆอยู่เฉยๆได้พอเรา <c oughs> ได้โรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะทําให้เราตายได้นี่ถ้าเราเกิดความทุกข์ใจเราก็หยุดได้เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราหยุดความอยากเออ อย่าไปอยากด้วยปัญญาเพราะรู้ว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจอันนี้คือปัญญาสัมมาทิฏฐิความอยากเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดความอยากถ้าเรามีสมาธิเราก็จะหยุดได้ mm hmm. แต่ถ้าเราไม่ฝึกสมาธิมาก่อนเราก็ยังจะหยุดไม่ได้ เพราะใจเรายังไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความอยากได้นั่นเองดังนั้นถ้าเกิดเราทุกข์ใจแล้วเรายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกําลังเราก็ต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้มากมาให้นั่งเฉยๆได้นานๆให้อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่คิดปรุงแต่งอะไรด้วยการฝึกสติไปก่อนที่เวลาจะมานั่ง สตินี้เราต้องฝึกให้มมากก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถ้าเรามาเริ่มฝึกสติตอนที่เรานั่งสมาธินี่สติจะไม่มีกำลังที่จะไปยับยั้งความคิดต่างๆได้นั่งสมาธิไปใจก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านไปนั่งแล้วก็เกิดอาการอือนตัดเพราะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาในที่สุดก็ต้องยอมแพ้ เลิกนั่งสมาธิไปเพราะนั่งแล้วมันไม่มันไม่สงบแล้วมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกทรมานใจเพราะความคิดมันยังต้องจะคิดไปหานูา่นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปทํานู่นอยากจะไปทํานี่ไม่อยากจะนั่งเฉยๆมันก็เลยทําให้เรานั่งไม่ได้ทําใจให้สงบไม่ได้เพราะขาดสติสติเรามีกําลังน้อยดัยงนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ ให้จิตนิ่งสงบได้เราต้องสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆก่อน mm hmm. การสร้างสตินี้เราสามารถทำได้ในทุกเรียนบท mm hmm. ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้น mm hmm. เราสามารถเจริญสติด้วยวิธีการต่างๆเช่นการใช้คำบริกรรมพุทโธอันนี้ก็เป็นการสร้างสติไว้คอยสกัดความคิดต่างๆถ้าเรา ลืมตาขึ้นมาปั๊บตื่นขึ้นมาเราก็เจริญสติเลยบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเลยควบคู่ไปกับการที่เราไปทํากิจวัตรต่างๆที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดเช่นเราไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เราแทบจะไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากเราสามารถ ใช้คำบิกรรมพุทธเอพุทธเคอยห้ามความคิดคอยหยุดความคิดได้หรืออีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ใช้คำบิกรรมพุทโธเราก็ใช้การจดจ่อดูอิริยาบถต่างๆของร่างกายให้เฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในอิริยาบถไหนกำลังอยู่ในท่านอนกำลังลุกขึ้นมานั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังไปทำอะไรกำลังไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน ให้ใจเราอยู่กับร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นการฝึกสติได้วิธีหนึ่ง <Yeah. S 1> ถ้าเราฝึกสติอย่างนี้แล้วความคิดมันจะถูกคอยส ก, กัดไว้ถึงแม้จะไม่ได้หยุดให้มันแต่ความรุนแรงของมันจะเบาบางลงไปจนเวลาที่เรามานั่งสมาธินี่เราก็จะสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้ พอเราทําใจให้นิ่งให้สงบได้ใจเราก็จะเกิดความเป็นกลางเรียกว่าเป็นอุเบกขาคือจะไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆเนี่ยคือการนั่งสมาธินี้เป้าหมายของการนั่งก็เพื่อที่ให้เราจะได้อุเบกขามานอกจากอุเบกขาแล้วเรายังได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ ซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของทางราบยศสารเสรญสุขถ้าเราสามารถที่จะหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้เราก็สามารถที่จะเลิกความอยากที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดผลาดได้เพราะเราสามารถมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเราสามารถอยู่ยังมีความสุขและก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุข ที่เราได้จากโลกธรรมคือราบยศสรรเสริญสุขวิธีที่เราจะต้องหยุดความอยากการมาตัญหายอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพทธภะเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิตั้งอยู่นานๆสงบนิ่งๆนานๆไม่หิวไม่โหยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขเพราะเกิดจากความสงบ ซึ่งเป็นความสุขที่เหนือนกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติพลังสุขขังเนี่ยพรเจ้าทรงตัดไว้ว่าไม่มีสุขกันใดที่จะเหนือนเท่าดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบก็เปลียนเหมือนกับการที่เราได้ของที่ดีกว่าเก่ามาเช่นถ้าเรามีรถยนต์เก่าๆคันหนึ่งแล้วเราได้รถยนต์คันใหม่มาที่ดีกว่าคันเก่า เราก็จะไม่ต้องใช้รถคันเก่าเพราะรถรถคันใหม่มันดีกว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเอาวยความสะดวกให้กับเราได้มากกว่าเราก็สามารถทิ้งรถคันเก่าไปได้เพราะเรามีรถคันใหม่มามาทดแทนทุกวันนี้ที่เราอยู่กันนี้ก็อยู่กันเพราะว่าเราต้องการมีความสุขกันเราต้องไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลเสพตภกันซึ่งบางทีเราก็หาได้บางทีเราก็หาไม่ได้หรือบางทีก็หาได้ได้ไม่มากได้พอ <c oughs> เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแต่จะให้แบบร่ำรวยเป็นกรอบเป็นกำนี่ก็ยากมีคนไม่มากที่จะร่ำรวยได้คนส่วนใหญ่ก็พอมีพอกินพออยู่พอไปในวันวันหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วก็ความสุขจากลาบยศสารเส้สุขมันก็มีความไม่แน่นอนเหมือนบางทีวันนี้ได้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้รายได้เดือนนี้อาจจะได้รายหน้าเดือนหน้าอาจจะลดก็ได้ <c oughs> เพราะมันเป็นมันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาลาบยศสารเส้สุขนี้มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้มีเจริญลาบก็มีการเสื่อมลาบได้ มีการเจริญยศก็มีการเสรื่อมยศได้เช่นมีตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางเวลาก็อาจจะถูกลดขั้นลดตำแหน่งก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนมีเจริญมีเสื่อมสรรเสริญคือความเยนยอยกย่องก็มีโอกาสที่จะพลิกกลายเป็นนินทาได้ คนที่เคยยกย่องชมชื่นชมเราก็อาจจะด่าเราก็ได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าใจเขาอาจจะเปลี่ยนไปหรือตัวเราอาจจะเปลี่ยนไป <c oughs> ทำให้เขาเสื่อมศรัทธาในตัวเรา <Yeah. S 1> เขาเคยศรัทธาแต่พอเราไปทำตัวที่ไม่ไม่ทำให้เขามีศรัทธา <Yeah. S 1> เขาก็อาจจะเสื่อมศรัทธาแล้วก็อาจจะตาหนิ <Yeah. S 1> นินทาว่ากล่าวเราก็ได้ yeah. ความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผดกระพาะก็ไม่แน่นอนบางทีเราก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขกับเราแต่บางทีเราก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความทุกข์กับเราเช่นเสียงมีบางทีเราก็ได้เสียงดีเสียงเสียงไพเราะฟังแล้วชื่นใจแต่บางทีก็ไปได้ยินเสียงไม่ดีเช่นได้ยินเสียงคำวาจาหยาบคายวาจาทาหนีตีเตียน ด่าว่ากล่าวอันนี้ก็ทำให้ <c oughs> ใจเราเสียวความสุขไปเจอกับคลิกไปเป็นความทุกข์ไปเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะที่เราเสดกันเพื่อให้ความสุขกับเหล่านี้มันมาได้สามรูปแบบด้วยกันบางทีมันก็มาในรูปแบบของความสุขบางทีมันก็มาในรูปแบบของความทุกข์ บางทีมันก็นมาในรูปแบบของไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆได้ยินเสียงแล้วก็ไม่ได้ดีใจไม่เสียใจเช่อเสียงนกร้องนี้เราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจไปกับมันแต่เสียงคนที่ด่าเรานี่มันจะทำให้เราเสียใจขึ้นมาหรือถ้าเสียงคนที่เขาชมเรามันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมา นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปยึดไปติดไปใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราก็เลยหนีไม่พ้นกับการเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกข์ที่เกิดจากการสัมผัสความไม่แน่นอนของราบยศสารเสริญสุขแล้วก็เกิดความทุกข์ชั้นที่สองขึ้นมาชั้นที่สองก็คือความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยาก อยากจะได้แต่ลาภยศสรรเสริญสุขที่ให้แต่ความสุขให้แต่ความเจริญอย่างเดียวที่มีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นอนัตตาเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันต้องมีการเปลี่ยนไปเป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีใครไปยับยั้งไปห้ามมันได้ มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อสองวันก่อนมันร้อนเนี่เมื่อเช้านี้อากาศก็กลับมาเริ่มเย็นใหม่เดี๋ยวอีกสองสามวันความเย็นก็จะหายไปความร้อนก็จะกลับเข้ามาใหม่เราไม่สามารถไปสั่งไปบังคับว่าให้เย็นไปตลอดเนี่ยให้ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นอนัตตาราบยศสรเสริญสุขมันเป็นอนัตตา ถ้าเราไปหาความสุขจากลาบยศเสริญสุขเราก็จะต้องทุกข์จะต้องผิดหวังเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราเสมอไปแล้วการหาความสุขจากลาบยศเสริญจากโลกกระทำนี้เราก็ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายของเราที่ใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนกัน วันดีคืนดีมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถไปหาราบยศสารเสริญสุขมาเสพได้นี่คือสิ่งที่ <c oughs> ทาให้ใจของเราทุกข์กันถ้าเรายังหาความสุขจากโล ก, กธรรมทั้งสี่หาความสุขจากราบยศ ส, สรเสิญสุขเพราะเรายังไม่ได้กำจัดกามาตัณหาความอยากหาความสุขจากโล ก, กธรรมนี่เอง ดังนั้นถ้าเราอยากจะเลิกหาความสุขจากเรื่องพฤตกรรมเราก็ต้องหาความสุขชนิดอื่นมาทดแทนเช่นถ้าเราใช้รถเก่าๆไปแล้วมันบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางวันก็เสียบางวันก็ไม่เสียมันก็อาจจะทำให้เราเกิดความลาคางขึ้นมาต้องหาวิธีเปลี่ยนรถแล้วใช้รถคันเก่าแล้วมันไม่แน่นอน ก็เลยต้องไปหาถ้าต้องซื้อรถใหม่ถ้าไม่มีเงินพอไม่พออะมีเงินไม่พอก็ต้องพยายามไปหาเงินมาเพิ่มให้ได้พอเราหาเงินพอที่จะมาซื้อรถใหม่ได้เราก็จะได้ทิ้งรถเก่าไปเราจะได้ขับรถใหม่ที่ให้ความ <c oughs> ให้ความมั่นใจกับเราเพราะมันจะเสียยากกว่ารถเก่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่า การหาความสุขของเราด้วยกามาตัะ ห, หาความสุขจากราบยศสารเสริญสุคนี้มันก็คุกคีคุกเข่าไปกับความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังทําให้เราเวลาผิดหวังเราก็ททุกข์ใจนอกจากทุกข์จากจากรูปเสียงกิ่นรสที่มันเสื่อมนะที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็มาทุกข์กับทางใจเพราะใจเราอยากให้มันไม่เสื่อม อยากให้มันมีแต่สุขอย่างเดียวซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ยั้งถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์กับการเสพลาบยศสารเสริญสุขก็พยายามเลิกเสพมันดีกว่ามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องหาลาบยศสารเสริญสุขมาให้ความสุขกับเราเราก็ต้องมาหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบที่เราเรียกว่าสันติสุข อันตริสุดก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนิ่งของใจด้วยการเจริญสติอยู่เรื่อยๆนั่นเองและการที่เราจะสามารถเจริญสติทําใจให้นิ่งให้สงบได้นี้เราก็ต้องมีเวลาถ้าเรายัางต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่เราก็จะมีเวลาน้อยอาจจะมีเวลาวันละไม่กี่วันละไ ม, ไม่ไม่ถึงชั่วโมง สำหรคนบางคนอาจจะหาเวลาแบ่งมานั่งสมาธิตอนก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิตอนตื่นนอนสักชั่วครึ่งชั่วโมงมันก็ได้นิดเดียวไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมเท่าไหร่ยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนถ้าเราอยากจะเห็นผลชัดเจนนี่เราต้องหาวันเวลาว่างจากภารกิจการงานเพื่อที่มาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอยู่เช่นวันที่เราหยุดทางานนี่เราอาจจะไปจองที่พัก ของวัดที่เขาให้เราไปปฏิบัติอยู่ตามลําพังให้เราไปเจริญสติไปนั่งสมาธิอันนี้โอกาสที่จะทําให้เราได้สัมผัสกับผลของการเจริญสติของการนั่งสมาธิได้มีมากกว่าการที่เราจะปฏิบัติแบบธรรมดาธรรมดาอยู่ที่บ้านทำวันละครึ่งชั่วโมงคั้งสองครั้งอย่างนี้ผลมัน ม, มักจะไม่เกิด ถ้าอยากให้เกิดผลขึ้นมามันต้องลองทำทั้งวันทั้งคืนดูไปอยู่วัดที่เขาจัดที่ให้เราปฏิบัติไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับใครให้เราเจริญสติทั้งวันทั้งคืนนั่งสมาธิสลับกับการเจริญสติไปเรื่อยๆถ้าเรามีความเพียรสัมมาวายโมความความตั้งใจมีสัจจะอธิษฐานว่าวันนี้จะไม่ทาอะไรนอกจากการเจริญสตินอกจากการนั่งสมาธิ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ใช้ศินแปดมาห้ามไว้รักษาศินแปดสินแปดนี้มีไว้เพื่อการไม่ให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดนั่นเองศินข้อสามก็ห้ามไม่ให้เราไปร่วมหลับนอนกับใครนะสินข้อหก็ให้กินอาหารพอประมาณวันละมื้อก็พอหรือสองมื้อแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปเราก็ไม่ให้เสพ บ, บันเทิงต่างๆมอแล้วสบบรรเทิงต่างๆ ไม่ให้เสริมสวยความงามทางร่างกายแล้วก็ไม่ให้นอนบนบนบนเตียงที่มันสบายเพราะมันจะนอนมากเกินไปให้นอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งแข็งหรือนอนกับพื้นก็ได้ปูผ้าปูเสื่อแล้วร่างกายมันจะมันจะจะไม่นอนมากเพราะร่างกายมื่หลังจากที่มันได้พักผ่อนแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายจะได้เอาเวลาที่เราไปใช้กับภารกิจเหล่านี้ มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเดี๋ยถ้าเราใช้ปฏิบัติศิ้นข้อแปดได้เนี่ยวันหนึ่งเราจะมีเวลาเยอะแยะเลย <S <S สมมุติเรามียี่บสี่ชั่วโมงถ้าเราหักเวลาหลับนอนไปสักสี่ห้าชั่วโมงเราก็เหลือสิบเก้าถึงยี่สิบชั่วโมงแล้วก็หักเวลาให้กับการรับประทานอาหารไปสักชั่วโมงหนึ่ง <S <S 1> <S 1> แล้วหักเวลาให้กับการดูแลสถานที่ทําความสะอาดร่างกายของเราเนี่ย อีกชั่วโมงนึ่เราก็จะมีเวลาปฏิบัติได้ถึงสิบแปดชั่วโมงสิบเจ็ดสิบปดชั่วโมงถ้าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติได้มากเท่านี้ผลมันก็จะเกิดขึ้นได้เร็วผลมันเกิดช้าเกิดเร็วนี้มันก็เกิดจากการทำมากหรือทำน้อยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำถูกหรือไม่ทำทาไม่ถูก ถ้าทำไม่ถูกถึงแม้จะทำสิบแปดชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงผลก็ยังเกิดไม่ได้เราต้องศึกษาวิธีเจริญสติให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าการฝึกสตินี้ฝึกวิฝึกแบบถูกต้องนี้ฝึกอย่างไรสัมมาสติเป็นอย่างไรสัมมาสติก็ให้เรารู้อยู่กับเรื่องเดียวอย่าให้ใจไปรุ่นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่ในปัจจุบันเช่นตอนนี้เรากาลังนั่งฟังเทศอยู่ ให้รู้อยู่กับเสียงธรรมอย่างเดียวนี่สแสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเราฟังไปแล้วใจเราก็แวบไป ค, ค, นนคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้คิดถึงที่นั่นคิดถึงที่นี่สแสดงว่าสติเราขาดแล้วสติเราไม่สมบูรณ์เราต้องดึงกลับมาให้อยู่กับเสียงธรรมที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจเอาไว้ถ้าเรามีเสียงธรรมผูกใจแล้วใจเราไม่ไปคิดอะไร ความอยากที่จะไปทำอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่มีความอยากมันก็จะไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกลาคาญสามารถนั่งฟังเทศไปได้อย่างสบายคนที่มาฟังเทศกันเขามักจะพูดว่าเวลานั่งสมาธิโดยที่ไม่ได้ฟังเทศนี่มันนั่งไม่ได้นานยี่สิบนาทีก็เริ่มรู้สึกอาการอึดอัดขึ้นมารู้สึกอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแต่พอเวลามาได้ฟังเทศเนี่ย แล้วก็ฟังอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก <c oughs> ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นั่งไปได้ตลอดการเทศเลยเวลาชั่วโมงหนึ่งนี่ผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่รู้สึกตัวเลยเพอใจเพลิดเพลินอยู่กับเสียงธรรมเสียงธรรมนี้มีคุณประโยชน์สองลักษณะด้วยกันถ้าเราฟังแล้ว <c oughs> ใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องกรอบอามเนี่ย มันก็จะทำให้ใจเรานิ่งให้สงบไม่ให้ไปเกิดความคิดความอยากต่างๆขึ้นมา <c oughs> หรือถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจเสียงธรรมที่เราฟังอยู่ว่า <c oughs> อะไรเป็นอะไร <c oughs> เช่นทุกข์เกิดจากอะไรและการที่จะทำให้ทุกข์หายไปนี้ <c oughs> หายไปได้อย่างไรอันนี้เราก็จะได้ความรู้ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบที่ได้แสดงไว้เบื้องต้นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากการทาบา หนึ่งสองเกิดจากความอยากต่างๆหนึ่งถ้าเราไม่อยากให้ใจเราทุกข์ก็อย่าไปทำบาปอย่าไปอยากในสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆอยาอยากให้ราบยศสารเสิญสุขมีแต่ความเจริญไปตลอดนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจาถ้าไปอยากมันก็จะทำให้เราทุกข์เนี่ย ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ราบยศสารเสริญสุขความทุกข์อยู่ที่ใจของเราไปอยากในสิ่งที่ที่มันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ดงนั้นอย่าไปควบคุมอย่าไปสั่งสภาวะธรรมทั้งหลายเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ <c oughs> เหมือนดินน้ำํำลมฝ้ายเหมือนดินฟ้าอากาศเราม่คเรามักจะไม่ค่อยทุกกับดินฟ้าอากาศกัน เพราะเรารู้ว่าเราไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้สั่งให้วันนี้ฝนตกไม่ได้สั่งให้พรุ่งนี้อากาศหนาวก็ไม่ได้เราก็เลยไม่ไปยุ่งกับมันฉันใดถ้าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศได้อืเราก็จะไม่ทุกข์กับอ <c oughs> ะไรสาเหตุ <c oughs> ที่เราทุกข์กันตอนนี้ก็เพราะเราคิดว่าเรายังสั่งเขาได้จัดการเขาได้เช <c oughs> ่นคนที่ใกล้ตัวเรา <c oughs> เรามักจะทุกข์กับคนที่ใกล้ตัวเรา เ็ราเราไปคิดว่าเราสั่งเขาได้สั่งให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งบางเวลาเขาก็ทำตามแต่บางเวลาเขาก็ไม่ได้ทำตามเราบางเวลาที่เขาไม่ทำตามที่เราสั่งที่เราอยากได้มันก็ทำให้เราทุก์ใจเสียใจขึ้นมา <c oughs> ดังนั้นเราต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมารู้จักวิธีเจริญสติว่าการเจริญสติก็คือการคอยควบคุมอย่าให้ใจคิด ถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วก็มีความคิดแล้วก็ไปคิดตามอันนี้แสดงว่าไม่มีสติแล้วตอนต้นเราเริ่มต้นใหม่ๆนี้ความคิดมันยังไม่หยุดทันทีหรอกเวลาที่เรา <c oughs> บริกรรมพุโทโธหรือเวลาที่เราเฝ้าดูร่างกายความคิดต่างๆที่ไม่เคยคิดมันก็ยังจะโผล่ขึ้นมาอยู่เหมือนกับเวลาที่เราจะหยุดรถยนต์นี่เราแตะเบรคปับ๊บมันรถมันไม่หยุดทันทีหรอกรถกว่าจะไปหยุดนั่นอีกต้องร้อยเมตรกว่าจะหยุดได้ เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการหยุดความเร็วของรถอย่นงใดความเร็วของใจคือความคิดก็เหมือนกันพอเราเริ่มต้นพุโทโธพุโทโธไปนี้มันไม่ได้มาคำว่าความคิดจะหายไปทันทีแต่ให้เรารู้ว่ามันเวลามีความคิดเราอย่าไปคิดตามมันเอย่าไปคุยกับมันส่วนใหญ่มันนักจะมาชวนเราคุยคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้แล้วเราก็เลิมพุโทโธไปตอนต้องก็พุโทโธอยู่พักหนึ่ง แล้วพอมันมีความคิดขึ้นมาก็เผลอไปคิดไปกับมันเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ว่าจะร่างกายไม่ไม่ว่าจะมีความคิดอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆนานเข้านานเข้าความคิดมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะมันไม่มีอะไรไปไปสนับสนุนให้มันคิดต่อแต่ถ้าเราไปคิดกับมันไปคุยกับมัน มันก็จะทําให้มีเรื่องคุยมีเรื่องคิดไปต่อไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันหยุดได้ <Yeah. S 2> นี่คือสมมาสติคือการระลิกเลืออยู่กับเรื่องเดียวโดยที่ไม่ให้ใจไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเราใช้พุโทโธเราก็ให้รู้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวจะบริกรรมพุโทโธช้าหรือเร็วก็ได้แล้วแต่เราจะสบัพอใจบางช่วงรู้สึกว่ามันบริบรกรรมเร็วแล้วมันดีก็บริกรรมเร็วไป ลองช่วงถ้ามันเหนื่อยไม่อยากจะบริกรรมเร็วแล้วก็พูดโทรช้าๆไปก็ได้ mm. ก็อยู่ว่าความคิดมันมารบกวนเรามากน้อยเพียงไรส่วนหนึ่งถ้ามีความคิดมารบกวนมากเราก็พุดโธให้เร็วขึ้นพุดโธรพูดโทพูดโธพุโทพโธไปพอความคิดมันค่อยจางไปเบาไปเราก็พุโทโธให้ช้าหน่อยก็ได้หรือถ้าเราเหนื่อยจากการใช้คํารบริกรรมพุโทโธเราอยากจะสลับมาใช้การเฝ้าดู อิรยาบุตรของร่างกายก็ได้ใช้แทนกันได้พอเราไม่อยากจะพุโทโธเราก็มาดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารทุกทุกขั้นตอนตั้งแต่ตักข้าวขึ้นมาจากจานเอาใส่ปากเคี้ยวคืนเข้าไปเนี่ยเราให้รู้อยู่ทุกขั้นตอนของการกระทําของร่างกายไปเพื่อไม่ให้มีช่องว่างให้ใจไปคิดถึงเรื่องเง้นเรื่องนี้นั่นเอง นั่นี่คืออุบายของการฝึกสติบางคนก็ใช้การเดินจงกรมเป็นการฝึกฝึกสติก็ได้เดินไปเราก็ให้รู้ว่าเรากำลังก้าวก้าวเท้ายกก้าววางแต่ไม่ต้องมาไ ม, ไม่ต้องมาเดินช้าๆแบบคนหัดเดินให้มีสติรู้อยู่กับว่าเรากำลังก้าวเรากำลังวางเท้าเรากำลังเดินรือให้รู้ว่าเรากำลังเทาก้ า, าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปเท่านี้ก็พอ ให้เดินตามปกติเดินแบบสบายๆให้มันเป็นธรรมชาติอย่าไปเดินแบบฟื้นเนี mm. มันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมนี้มันต้องเป็นเป็นตามเป็นไปตามธรรมชาติชีวิตของเรานี้มันมันเคลื่อนไหวไปโดยธรรมชาติของมันตั้งแต่ตื่นจนหลับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีใช้สติคอยกํากับการเคลื่อนไหวของของของการกระทํา ต, ต่างๆของเราเราเลยปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดฟุ้งซ่าน คิดแล้วก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจอะไรต่างๆขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้เราต้องการมาปรับเปลี่ยนวิธีควบคุมใจของเราวิธีควบคุมความคิดของเราเราจะไม่ปล่อยให้มันคิดเรื่อยไปจะไม่ให้มันส่งไปอดีตไม่ให้มันส่งไปอนาคตยกเว้นว่าถ้าเรามีเรื่องต้องคิดจริงๆอันนี้ก็มันก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราอยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคต แต่ถ้าเราทํางานทํามาหากินนี่ถึงแม้ว่าเราพยายามจะฝึกสติเราก็ยังห้ามความคิดไม่ได้เพราะทํางานมันก็ต้องใช้ความคิดต้องบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆมันก็ต้องใช้ความคิดมาบริหารจัดการดงั้นการที่เราไปฝึกสติในเวลาที่เราไปทํางานนี่มันจะไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่ถึงแม้จะมีสติรู้อยู่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แต่มันก็คิดไปด้วย มันไม่หยุดมันไม่นิ่งมันไม่เบ า, ม, ม, เบามันไม่ทำให้ใจเราสบายอย่างนั้นวิธีที่อยากจะเจริญสติได้อย่างดีได้ผลดีได้ประโยชน์มากก็ต้องไปเปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบสงัดที่ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจถ้าไปฝึกสติในที่ที่มีเสียงอยุกกระทึกคุกคามมีกิจกรรมต่างๆเช่นบางวัดก็มีงานต่างๆมีงานศพมีงานอะไรมีใช้เครื่องขยายเสียงเงี้ย ถ้าเราไปฝึกสติในวัดแบบนั้นมันก็จะทําได้ยากเพราะเดี๋ยวก็เสียงก็เข้ามาที่หูแล้วะเสียงภา ย, ภายในก็มีแล้วยังไม่พอยังต้องมาเจอเสียงภายนอกอีกอย่างน้อยเบื้องต้นเราต้องกําจัดเสียงภายนอกก่อนด้วยการไปอยู่ที่สงบสงดัดไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขานี่มันจะไม่มีเสียงที่จะมารบกวนใจเราจะมีเหลือแต่เสียงภายในก็คือความคิดของเราที่เรายังไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ทันที แต่เราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเราต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้ฝึกขัดเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราเป็นแชมป์แล้วเ้วควบคุมหยุดมันได้แล้วถ้ายัางมันคิดก็วิธีปฏิบัติกับมันก็อย่าไปสนใจ อ, อ, อย่าไปตามคิด อ, อ, อย่าไปคุยกับมันให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวในอิริยาบทต่างๆ เดินจงกรมก็รู้อยู่ว่าการก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาหรือพุโทโธพุโทโธใช้กรรมริกรรพุโทโธในขณะที่เราเดินก็ได้แต่เวลาเดินก็ต้องดูทางด้วยไม่ใช่อยู่ยกับพุโทโธแล้วทางข้างหน้าไม่รู้จะมีอะไรเดี๋ยวเดินไปเตะสิ่งนั้นเตะสิ่งนี้ก็ต้องมีสติรู้อยู่ด้วยว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างมีอะไรเป็นอันตรายต่อเราหรือไม่ถ้าเราไปเดินในปาน่านี่มันอาจจะมีงูเลื้อยผ่านมาก็ได้ เราก็ต้องมีสติคอยระมัดระวังความระมัดระวังนี้ก็เป็นการมีสติทำอะไรถ้าเราพยาาด้วยความระมัดระวังนี้แสดงว่าเรากาลังจเจริญสติเช่นทำอะไรแล้วไม่ทำให้เกิดเกิด <c oughs> <c oughs> ความเสียหายขึ้นมาก็แสดงว่าเรามีความระมัดระวังก็แสดงว่าเราต้องมีสติคอยดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตามวัดป่านี้ครูบาอาจารย์จะคอยสอนลูกศิษย์ไม่ว่าจะทาอะไรให้ทาด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ทำแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาถ้าเกิดความเสียหายมันก็มักจะเกิดจากความขาดสติการเพิ่สตินี่ น, น, นี่คือวิธีการเจริญสติฝึกสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญมากในบรรดาธรรมทั้งหมดอาวุธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับสติเพราะถ้าไม่มีสติสมาธิก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาในระดับภาวนาก็เกิดไม่ได้ ปัญญามีสามระดับสุตตมยาปัญญาจินตามยาปัญญาภาวานามยปัญญาก็ต้องมีสติต่างระดับต่างกันแต่ต้องระดับภาวนานี้ต้องได้สติแบบเต็มร้อยส่วนปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือการคิดนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีปัญญาเต็มร้อยก็ได้เช่นตอนนี้เราฟังเทศฟังธรรมกันเราก็ต้องมีสติฟังอยู่ แต่เราอาจจะเผลอบ้างก็ได้เผลอไปคิดเรื่องนั้นเผลอไปคิดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวว่ากลับมาฟังใหม่ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราจะต้องการมีปัญญาแบบที่เราสามารถหยุดความอยากได้เลยนี้เราต้องมีสมาธิมีสัมมาสติที่เต็มร้อย <c oughs> อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกหัดกันให้มากๆคือการฝึกสติในเบื้องต้นก่อน สตินี้จาเป็นในทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ตั้งสติไว้ก่อนเลยเอาสติเป็นผู้นำหน้าแล้วทุกอย่างจะดีใจก็จะไม่พยศสติเหมือนผู้คอยควบคุมนักโทษถ้าผู้ควบคุมนักโทษคอยเฝ้าดูนักโทษนักโทษก็ไม่กล้าพยศแต่ถ้าผู้คุมเผลอไปทำอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวนักโทษมันก็อาจจะพยศขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าึงบอกว่าสตินี้เป็นธรรมที่ สูงสุดที่จําเป็นมากที่สุดที่สําคัญที่สุดท่านต้งเปรียบทียบสติเหมือนรอยเท้าช้างในป่านี้ไม่มีรอยเท้าสัตว์อันไหนจะใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดแม้ว่าสัตว์อย่างอื่นจะร้ายแรงจะมีความร้ายกาจกว่าช้างก็ตามเช่นเสือสิงห์กระทิงแรตนี้แต่มันก็รอยเท้าของมันมันยังเล็กกว่ารอยเท้าช้าง สติธรรมนี้ก็เป็นธรรมที่สำคัญถึงแม้จะไม่เป็นธรรมที่สูงสุดธรรมที่สูงสุดก็คือปัญญาแต่การที่จะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้มานี้จำเป็นจะต้องมีสติในระดับ อ, อัปปนาสมาธิก่อนหรือสติมหาสติมหาปัญญาสติที่ไม่ไม่ขาดตอนสติที่ตอ่อเนื่องเรียกว่าสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่กับเรื่องเดียวอยู่ตลอดเวลา รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ตลอดเวลาหรืออยู่อยู่กับพุทโธไปตลอดเวลาถ้าเรามีสติแบบนี้เวลานั่งสมาธิเราจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือใช้คำบรลีคำพุทโธพุทโธไปก็ได้ไ<ป>ใจของเร า, าก็จะอยู่กับพุทโธไปจะอยู่กับลมหายใจไปจะไม่วัดไปคิดเรื่องนั้นไม่วัดไปคิดเรื่องนี้<จ>ถ้าต่อถ้ามันมีสติต่อเนื่องอยู่กับลมหรืออยู่กับโธพุทพโธไป บาทีห้านาทีจิตก็รวมเป็นสมาธิได้ตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งสงบความคิดต่างๆก็หยุดแบบแบบติดล็อกเลยเหมือนล็อกล็อกรถเลยพอล็อกรถนี่ที่รู้รู้เลยรถมันวิ่เคลื่อนไหวไม่ได้นะอแต่ถ้าขณะที่ยังมีสติอยู่นี้มันยังไม่ได้ล็อกรถเลยสติมันเพียงแต่คอยควบคุมไม่ให้มันไหลแต่พอเรอปล่อยเบรคคือสติปั๊บล้อมันก็เคลื่อนได้รถก็เคลื่อนได้ทันที แต่ถ้าเราล็อกล้อแล้วนี่มันไปไม่ได้ล่ะสมาธิก็คือการล็อกล้อ ก, การที่จิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตมันจะนิ่งสงบตอนนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรละไม่ต้องพุทธไม่ต้องดูลมหายใจพอรู้เลยว่าจิตมันเนื่งงละมันไม่ทําอะไรมันไม่ดิ้นเราก็เราก็จะอยู่ในสภาพนั้นไปจนกาสติเราเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วจิตมันเริ่มคิดตุงแต่งขึ้นมาแล้วก็อยากจะเลื่นั่ง ถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ต่อได้เลยดูลมต่อไปพุทโธต่อไปอีกรอบหนึ่งก็ได้โดยที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาแต่ถ้าเรามีธุระหรือมีอะไรจําเป็นจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งไปนานๆแล้วมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาสลับกับการเดินสมาเดินสมาธิก็คือการเดินจงกรมต่อถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนยถ้าเราไม่ไปทํากิจอย่างอื่นเช่นถ้าเราไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวเนี่ย พยายามทให้มันต่อเนื่องจากนั่งก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จพอเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ <Okay. S 1> ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆรับประการได้ว่าจิตจะมันจะสงบง่ายสงบเร็วแล้วจะสงบได้นาน <Okay. S 1> แล้วต่อไปจิตก็จะมีพลัง <Okay. S 1> มีความสามารถที่จะสู้กับความอยากได้เวลาเกิดความอยากอะไรขึ้นมาก็รู้ว่ามันทำให้ใจทุกข์ก็หยุดมันได้ฝืนมันได้ <Okay. S 1> เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันทุกข์ก็หยุดมันได้ หยุดความอยากไม่ทุกข์ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ปล่อยให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปถ้าเป็นโรคภัยที่จะต้องตายก็ปล่อยให้มันตายไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปจะไม่มีความอยากไม่ตายจะไม่มีความอยากไม่เจ็บไม่มีความอยากไม่แก่เพราะมีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาก็คือยอมรับความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีดับไปเป็นธรรมดา เป็นอนัตตาไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามมันได้ทุกคนเนี่ยร่างกายของเราทุกคนไม่มีใครห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่ทําไมเราต้องไปทุกข์กับมันก็เพราะเรายังไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิที่จะไปหยุดความอยากยังมีความอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันอยู่ไปนานๆอยากไม่ให้มันตายนั่นเองแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาก็เห็นว่ามันห้ามไม่ได้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีทางเดียวเท่านั้นถ้าไม่อยากจะมาแก่เจ็บตายก็คืออย่ามาเกิดเท่านั้นเองและการปฏิบัติเพื่อตัดความอยากต่างๆเหล่า น, านี้ก็จะมีผลทำให้เราไม่กลับมาเกิดด้วยขณะที่เรายังมีร่างกายอยู่เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เราหยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้เราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายต่อไป เหตุที่เรามามีร่างกายเพราะเรายังมีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นล้นก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือนั่นเองแต่พอเราเลิกเสพมันแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปเราก็จะไม่เจอกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปีในเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือเพื่อการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการเจริญศีลสมาธิ ป, ปัญญาแล้วก็ <c oughs> ให้ให้เอาศีลสมาธิปัญญานี้ไปหยุดความอยากต่างๆที่ที่มีอยู่ในใจให้มันหมดไปพอความอยากต่างๆหมดไปจากใจแล้ว <c oughs> ก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจให้ทุกข์อีกต่อไปมาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปเหมือนกับเวลาที่เรารักษาโาครคภัยไข้เจ็บพอเรากินยาเข้าไปทําลายเชื้อโรคที่ทําให้โครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาพอเชื้อโรคหายไปหมดแล้วโรคภัยก็หายไปก็จะไม่มี <c oughs> โลกภัยต่อไปจนกวจะได้เชื่อโลกอันใหม่แต่ถ้าเรามียาธรรมโอสจ น, นี่เราสามารถทําลายเชื่อโลกทางใจได้ทุกชนิดเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาใจก็เลยยังไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปอยู่แบบอยู่แบบเป็นดวงวิญญาณสบายกว่าดวงวิญญาณที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากไม่มีความหิวโหยนี่คือสถานภาพของใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านไม่ได้หายไปไหนท่านก็ยังอยู่ของท่านอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ท่านไม่ต้องมาแบกบกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเราท่านนั้นเองพวกเราถ้าอยากจะไปเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราน้อมาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติตามปฏิบัติตามตตาร์กแปดสัมมาทิฏฐิไปถึงสัมมาสมาธิก็คือศีลสมาธิปัญญานี้นนเท่านั้นเองถ้าปฏิบัติได้หยุดความอยากได้เราก็จะ ไปอยู่ในที่เดียวกับที่พระเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้อยู่กันนี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเยาถาวาเลวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคะลังเอวเมวะเอโตทินังเปตานาังอุปกัปติ เอชิตังปัติตังตุมหังคิพเมวะสมิจจโตสัพเทปุเรนโตสังกะปาจันโทมนาราสุยาธามณีจติอราสยาธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโขวินัสสตุมาเตภาวัตวันตราลาโยสุขีธีกายุโกภวะ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 ผู้รับฟังหน้ากุฏิ201คนรวมทั้งหมดมมาามมมหนึ่งรับหนึ่งอยากครับมีอย่างไรกำถามวันนี้ผู้ภาษาไทยเก่งนะวัน น, นี้ภาษาไทยรอาจารย์สภาวะธรรมแปลว่าอะไรสภาวะธรรมเอ่ออี a ์เดอะวิ a l อว์นัชชวลฟิ n นเมน a หร rocess as สภาวะธรรม The body is a natural process, a natural phenomenon. No self. Everything in the Buddha say are sahava dhamma. They exist and they appear and then they disappear. They anicca, anatta, no self. So we want to talk thing about commonly anything you can say sahava t h a m s a p h a v a t h a m a t h n g lai <laughs> thang puo e a n anicca, impermanent, can anatta. ถ้าไปเคร่งไปอยากก็จะทุกข์ความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่สามารถที่จะทําให้ได้ดังใจอยากเข้าใจไหมเข้าใจครับอขอบคุณนะครับเรียนต้องเรียนทักกี่เดือนนะเร<อ>ียนภาษ า, าไทยใช่ไหมตอนนี้อ๋อเรียนเพิ่ประมาณสิบเดือนแล้วครับสิบเดือนน่ า, านนเลยครับเดี๋ยฟังพระอาจารย์สุนเทพบุวยครับออฟังแล้วเข้าใจนะ เข้าใ ja? pues er. ้ครับเข้าใอยู okay. ่ประมาณวันนี้เข้าใประมาณเก้าิบเปรเซ็นู้มากนะครัดีเยนเอาไปปฏิบัติให้ได้นะโอเคดีขอบคุณเลยครับคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิสองคำถามครับคำถามแรกการปฏิบัติสิ่งที่จำเป็นคือศีล ใช่หรือไม่ครับถ้าไม่มีศีลสามารถฝึกได้สําเร็จไหมครับถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็ถือว่าเรามีศีลโดยอัตโนมัติเนยการรักษาศีลเพื่อที่จะสนับสนุนให้จิตไปภาวนาไปนั่งสมาธิไม่ให้ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงนั้นเอง <c oughs> ถ้าเราไม่ไปเที่ยวไม่ดูหนังฟังเพลงแล้วเราก็มีศีลขึ้นมาแล้วคําถามที่สอง อยากทราบว่ากรรมเกิดจากเผ่าพันธ์อันนี้หมายถึงต้องมาจากตระกูลและมาตรงที่ตัวเราด้วยไหมครับ อ, อ๋อไม่ใช่หรอกคาว่าเผ่าพันธุ์ก็คือกรรมนี่กนะรรมมันมีอยู่สามเผ่าพันธ์กรรมดีกรรมเชื่อกรรมที่เป็นกลางๆ ก, ก็มีสามเผ่าพันธ์พันชั่อพันธ์ดีแล้วก็พันธ์กลางๆคนที่ทําดีก็จะได้ก็จะเป็นเผ่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดี คนที้ทำชั่วก็ยังเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชั่วมันมีอยู่สามสามเผ่าพันธุ์ใหญ่ๆคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์จากผู้ฝากถามผมเดินจงกรมตรงหลังกุฏิสี่และเดินมาถึงห้องกระจกที่พระอาจารย์ฉันพัตาหารรู้สึกว่าตนเองเป็นพระที่แย่เลยเกิดอาการร้องไห้ครับ แต่พอได้พุโทโธพุโทโธก็หายเดินสลับไปสลับมาระหว่างสองที่และไปนั่งในศาลาเปิดบทสวดมนต์ฟังเพื่อฝึกอารมณ์ก็ยังเศร้าครับต้องทำอย่างไรครับต้องทำต่อไปเหมือนกินยาถ้ากินยายังไม่หายก็ต้องกินไปเรื่อยๆไม่ใช่กินปุ๊บจะหายปับ๊บเนี่ยต้องใจเย็นๆกินไปจนกว่าอารมณ์เศร้าจะหายไปจิตสงบจิตว่างแล้วอารมณ์เศร้าก็จะหายไป คำถามต่อไปจากคุณศีดาพัฒนปฏิบัติมาได้สักพักครับเป็นโรคซึมเศร้าต้องทานยาประจำบางครั้งปฏิบัติก็สงบดีครับแต่เจอคนเยอะๆแล้วรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งจะมีอาการหนาวเศร้าครับควรปฏิบัติอย่างไรใกล้วันที่จะเดินทางไปแสวงบุญที่อินเดียแล้วครับปฏิบัติพุทโธได้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ควรปฏิบัติพุทโธระงับความอยากต่างๆ แล้วอาการเศร้าก็จะไม่เกิดอาการเศร้าก็จากความอยากให้คนนั้นคนนี้เขาสนใจเราพอเขาไม่ให้ความสนใจกับเราเราก็เร่รู้สึกเศร้าทั้งแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่เศร้า้วอยู่คนเดียวได้คำถามต่อไปจากคุณหน่อยสภาวะที่บอกว่าจิตของเรารวมลงเป็นสมาธินั่นคืออย่างไรครับ หรือให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเมื่อเหตุถึงพร้อมจะรู้ได้เองครับขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับใช่ต้องปฏิบัติสติไปเรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวแล้วเดียวถึงเวลามันรวมมันจะร้องออกเองอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นรประสบการณ์ที่ไม่มีใครพบตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครพบเลยงห็นจารอธิบายยังไงมันก็อธิบายไม่ถูกเห็นทางที่ดีก็อธิบายเหตุดีกว่าเหตุ ท, ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมา ก็คือพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆอย่าให้ใจเผลอพยายามควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆเหมืนแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่าข้ามาเลยเชิญข้ามาหน่อยมาไมโครโฟนได้ข้ามมาได้ไหมเชิญข้ามมาหน่อย อมามาม า, มาเอาไมโครโฟนหน่อยพูดไม่ได้ยินทางกายช่วยกรุณา้ำไปให้มม่ชีหน่อยก็ได้ขอโอกาสเจ้าค่ะใกล้ใก่ปางเลยพูดใก ล, กล้ใกละขอโอกาสเจ้าค่ะคำถามนี้แทนชีน้องนะคะรบกวนสภาวะตรมนะคะว่าเวลาปฏิบัติเดินจงกรมเนี่ยค่ะหลับกลางอากาศค่ะ แล้วก็เวลาสวดมนต์ห ล, ลับตอนสวดมนค่ะแต่นอกนั้นประคองสติได้ค่ะแต่สวดมนต์เมื่อไหร่เป็นสับประงกทันทีอันนี้จะแก้สะพาวะสยังไงดีเจ้าค่ะอ๋อเป็นส่วนในป่าช้าด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นส่วนในป่าชา้าไม่ไงงเจ้าค่ะจะไปอยู่ที่ปลอดภัยเกิด ม, มากจนเกินไปมันจะไม่มีความระมัดระวงังไม่มีความสติมันไม่ตื่นตัว เนี่ยภาปฏิบัติส่วนใหญ่ยิ่ง้องไปปฏิบัติตามป่าตามเขาตามป่าชาที่มีสิงสาราสัตว์น่ากลัวแล้วมันจะมีสติเตือนตัวบา<อ>งคนไปนั่งสมาธิหน้าผาเลยก็มีถ้าไม่มีสติสัมปองก็หัวทิ่มตกฟ้าไปเลยตกผาไปเลยตัวจนะักราคาถามหนึ่งจักะา อ, อันนี้ของคีเองจ้ะค่ ะ, ะมีสภาวะแบบพอเราปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่ง อยากที่เคยนับเก้านับเก้าเจ้จนแบบไม่อยากจะนับแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นกรรมฐานหน้าภาวนาไ ป, ภ า, าไปภาวนาไปก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากเดินภาวนาอะไรค่ะรู้แค่ว่าเดินก็ให้ เ, <อ>เดินเฉยๆก็ได้รู้ว่าเดินรู้ว่ายืนรู้ว่านั่งไปอันนี้ไม่ผิดทางไม่ผิดถา้ถามันไม่คิดก็แล้วกันใช่ค่ะอย่ไปปล่อยให้มันคิดทัง้งนั้นใช่ค่ะได้ใช้ได้บางท บริกรรมไปสวดไปเมื่อ จ, จะเหนื่อยก็ได้ก็หยุดแล้วเปลี่ยนมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนแบบแบบนี้แบบมันแค่แค่ว่าเราเบื่อเราเซงหรือเปล่าคะเพราะว่าใกล้ๆเนีไม่ได้ยินเสียงค่ะแบบนี้ถือว่าแบบเราเบื่อเซงอะไรไหมคะเพราะว่าเราปฏิบัติต่อเนื่องต่อเนื่องมาเป็นปีสองปีอะไรนี่มันเลยไม่อยากจะภาวนาไม่อยากจะทําอะไรแค่รู้ว่าฉันเดินชันอะไรแค่ประมาณนี้เจ้าค่ะ ไม่ได้ยินอะโยงพูดใกล้ใกล้ปากหน่อยนึงนะเอาไม่กระโผลพูดใกล้ใกล้ป า, <c oughs> <อ>าสภาสภาว่าที่แบบไม่อยากภาวนาไม่อยากจะกล่าวคําบริกรรมอะไรแล้วแค่ <c oughs> แค่เราเอาแค่เดินคะฉันจะเดินนะรู้ว่าวันนี้กําลังเดินอยู่นะกําลังนั่งสมาธิอยู่หน้าอะไรแค่นี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมถ้ามันไม่คิดอะไรก็ได้ถ้ามันคิดก็ต้องอย่าไปสนใจกับความคิดให้อยู่กับการที่เราเดินหรือทำอะไรเลยหรือใช้คําบริกรรมพุทโธช่วยหยุดความคิดก็ได้ Oh, ถ้าเราไม่คิดเรารู้เฉยๆก็เราก็รู้ไปเฉยๆรู้ว่าเรากาลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังทำอะไรก็ได้จแล้วก็นั่งสมาธิถ้ามันเฉยๆได้ไม่คิดอะไรก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปแทนใจจใจจะได้นิ่งสงบมากขึ้นจะคะ่แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเดินจุกรมเจ้าค่ะเราเดินจงกรมตอนกลางคืนใช่หมคะมันมีบางช่วงที่แบบมันทีก้มหน้ามันก็เบื่อเบื ยันหน้าดูดูดาวดูอะไรอย่างนี้ถือว่าฟุ้งไหมคะก็ฟุ้ง ม, มันสง่งออกไปแนละ้วให้มันอยู่กับพุโทโธให้มันอยู่กับเท้าที่เราเดินจะดีกว่าอ๋อ oh, oh, จักแล้วถ้าจะคิดก็คิดไปทางอสุภะบ้างก็ได้พิจนารณาการสาสิบสองไปก็ได้อ๋อจักค่ะเออดูการสาสอง <ak> ไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ เ, เอ็นกระ <Ừ. S 2> ดูกทั้งไปแทนก็ได้อ๋อจักค่ะจักคเอาทางปัญญามั่งก็ได้จักค่ะถ้ามันเบื่อเมื่อเบื่อ ก็อลองคิดพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลงไฟอาการสารสิบ<า>สองอสุภะลากศพสิบชนิด อ, อย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกั น, ก เ, ปนเป็นเหตุที่จะทำให้ใจสงบได้เหมือนกันก <c oughs> แต่อย่งไปดูดาวดูเดือน เ, <c oughs> เดี๋ยวมันอยากจะไปขึ้นไป <c oughs> นั่งจรวดไป <c oughs> ไม่มีแล้ว่งนู้นอเอามากมาคืนคุณคุณ<ม>คุณปอนอ่าอาอยูอ่อออามาไปพูดเลยกลับมามัสการพระเด็จพระคุณอาจารย์นะครับอยากจะขอโอกาสถามพอดีพยายามพัฒนาฉันทะในการทำกิจหน้าที่ <c oughs> ในชีวิตเช่นการเรียนการทำงานอย่างเงี้ยครับแต่รู้สึกว่ายังไม่มีพลังพอ เรู้สึกว่าอยังยังอ่อนแรงเหมือนไม่มีแรงทําแต่ว่าถ้าใช้ตัณหาใช้ความอยากหรือว่าใช้สัญชตตาตญาณเช่นอยากสําเร็จอยากอยากอยากเปลี่ยนเก่งอยากทําให้สําเร็จอย่างนี้ปรากฏว่ามีพลังมากกว่าทีนี้จะขอขอแนวทางในการพัฒนาฉันทะให้ให้สามารถสู้ตัณหาได้ไม่ต้องใช้ตัณหาในการเป็นแรงจูงใจอย่างนี้ครับก็ตัณหาบางอย่างมันก็ไม่ไม่เป็นกิเลส ถ้าอยากจะสำเร็จในหน้าที่การงานเราก็ต้องมีความอยากที่จะทำหน้าที่ของเราถ้าเราไม่อยากทำมันก็จะไม่สำเร็จ <Yeah. S 1> แต่มันเป็นทางโลก mm hmm. ทางธรรมเราก็ถือว่ามันยังเป็นกิเลสอยู่แต่ทางโลกมันไม่เป็นกิเลสแล้ว เ, เพราะามันเป็นมันเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความมุ่มานะขึ้นมาที่จะทำกิจที่เราต้องทำกัน mm hmm. ก็ใช้ได้ใช้ตันหนก็ให้คิดถึงผลที่เราจะได้ถ้าเราทางานสาเร็จ เช่นได้เงินเดือนดีขึ้นได้ตำแหน่งดีขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปมันก็จะทำให้เกิดฉันท่าขึ้นเลยครับขอบพระคุณครับเอเข้ามาเอาไหมกับเลืนะ่องจริจมีทั้งหลายตัวนะคำถามจากทาง Facebook ค, คุณจุธาทิพย์ ขอโอกาสขอคําแนะนําสําหรับผู้ฝึกปฏิบัติเบื้องต้นครับก็เนี่แหละถ้าฝึกสมาธิก็ต้องฝึกสติก่อนต้องหมั่นเจริญพุทโธพุทโธตั้งแต่ตื่นตื่ตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับหรือคอยจดจ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปเรื่อยๆทั้งวันอย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่ใช่ทำปุ๊บได้ปั๊บ ต้องใช้เวลาพอสมควรมีคําถามไหมโยมอ่ะเจ้ขอโอกาสเจ้าค่ะก็คือช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาก็จะฟังเทศท่านกอนะคะเขา่าสวนหลวงแล้วก็ท่านอาจารย์แบนแล้วก็ท่านอาจารย์สิงห์ทองนะคะท่านอาจารย์แบนกับท่านอาจารย์สิงห์ทองนี้จะฟังประจําอยู่แล้วนะคะพอท่านอาจารย์แบนนี้ก็โยมก็เจอท่านแต่อายุสิบสี่ คำถามก็คือท่านกอ่อท่านเทพบอกว่าเวลาตื่นมาเนี่ยค่ะจิตที่เป็นปกติตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยมันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วเนี่ยค่ะซึ่งท่านพูดว่าจิตที่เป็นสมาธิอยู่แล้วตอนตื่นมาเนี่ยมันไม่มีการปรุงแต่งแล้วก็มันไม่มีความจำที่มาปรุงแต่งทำให้ทุกข์อะค่ะอันนี้มันคืออะไรคะซึ่งโยมก็เป็นอย่างที่ท่านพูดเป๊ะเลยอะค่ะก็เป็นการมีสติตลอดเวลาเนี่ย กสติมันก็จะคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆว่าอาชาตก่อนหรือก็อยากฝึกสติมาแล้วก็ได้บางคนนั่งเฉยๆไม่มีไม่ได้ทําอะไรจิตก็รวมเป็นสมาธิขึ้นมาก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นโพตอนเป็นเด็กใต้ต้นไม้ไม่มีใครเลาะอ้อมล้อมจิตก็นวมเข้าไปได้เลยเพราะเขาเคยเข้าไปแล้วเขาเคยทํามาแล้วเพียงแต่ไม่มีจังหวะไม่มีโอกาส ต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ที่ไม่มีใครมาดึงใจให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็พอไม่มีเรื่องให้คิดมันก็สงบมันก็เข้าสมาธิไปถ้าอยู่คนเดียวมันก็มากจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นระหว่างวันโยมต้องทำงานนะคะแล้วกลางคืนเนี่ยค่ะ มันมีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างแต่พอหลับไปแล้วก็ตื่นมาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่ท่านกอพูดเลยคำถามขออนุ ญ, ญาตถามคำถามสุดท้ายคือกลางคืนเนี่ยค่ะมันจิตมันไม่ปกติแล้วค่ะจะให้ฝึกยังไงคะจะให้ ท่านอยากให้านาอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยค่ะเพราะว่ามันผ่านการทํางานมันเหนื่อยมากแล้วสมองมันล้ามากจนที่ท่านกอบอกว่าตื่นมาและจิตมันปกติมันมันไม่ไหวอะค่ะจะให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยค่ะว่าหลังจากที่สมองมันล้าสุดแล้วอะค่ะอ๋อก็อยากทางานสิเห็นสมองทํางานเพราะเราไปทํางานก็ต้องใช้สมองใช้ความคิด แต่มันยังต้องทำไปทํางานเพื่อหาเงินนะก็เอาทั้งสองอย่างไม่ได้หรอกเอาทั้งทำมาเอาทั้งเงินด้วยกันไม่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาสติแล้วเอาสตางค์มาอย่างมั้นมันของไม่ได้ไปด้วยกันคนที่รู้ได้คนที่ให้ความสําคัญกับของสติมากกว่าสตางค์เขาก็ไปบวชกันอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สละสมบัติก็เงินทองไปเพื่อไปบวชเพื่อจะได้สร้างสติไปด้วยกันไม่ได้เลยหรอไม่ได้หรอกเพราะสติต้องหยุดคิดไง นี่ทำงานก็ต้องใช้ความคิดคิดแล้วก็ฟุงขึ้นมามแล้วกาจะสงบ ม, มันก็ต้องใช้เวลาพอสคมควรนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายเขาไม่คิดกันหรอกเาไม่มีงานอะไรทํานอกจากเลี้ยงดูร่างกายเขาไปแล้วก็ทําความสะอาดกวาดลานวัดอะไรท่านนั้นเองทึ่ไม่ต้องใช้ความคิดว่ากก็แสดงว่าหลังจากตื่นนอนมาก็คือร่างกายมันได้พักผ่อนสติมันเลยกลับมากลับมาถ้าเกิดไปทํางานใหม่มันก็วนลูปเดิมเหมือนเดิมใช่มันก็เหมือนนี้เนี่ย เพราะนั้นเวลานอนหลับมันก็สงบตัวลงพอตื่นขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าไม่มีความคิดอะไรอยู่แต่เดี๋ยวเริ่มไปทํางานมันก็เริ่มขุดคุยมันขึ้นความคิดต่างๆขึ้นมาใหม่เดี๋ยวต้องหยุดทํางานต้องไปเป็นนักบวช ด, ดูเราลางงานสักสามเดือนหดือนเราไปอยู่แบบนักบวช ด, ดูสักสามเดือนเนี่ยเราจะเป็นหลุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนตายเลใช่ไหมค ะ, ะไปเลยพบหน้าชาหน้าก็แบบเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่แก้ไขไม่ไม่ดัดแปลงเปลี่ยนแปลง ถ้าทำแบบนี้มันก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ <Okay. S 3> คำถามต่อไปจากคุณวิรัตทางอินบ็อกซ์ครับเคยมีสภาวะที่ผู้รู้แยกออกจากร่างกายที่กำลังมีความสุขอยู่แต่เป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆครับไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับไหนต้องอ่านหม่อทีนึง ครับเคยมีสภาวะที่ผู้รู้แยกออกจากร่างกายที่กําลังมีความสุขอยู่ระยะเวลาสั้นๆไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับก็จเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสติก็จะทําให้ผู้รู้แยกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างได้คําถามต่อไปจากคุณนกขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายการเจริญพรมวิหารสี่ครับพรมวิหารสี่ก็คือ ธรรมะที่เราใช้กับปฏิบัติกับคนต่างๆในกรณีต่างๆเมตตาก็คือเราควรที่จะมีความเมตตากับทุกคนเจอใครก็อย่าหน้าบึ้งใส่เขาเจอก็ยิ้มแ ย, ย้มทักทายสบายดีเลยถ้าอยากจะให้ก็มีความสุขก็มีขนมอะไรก็มาฝากเขาอันนี้ก็เมตตาหรือถ้าเขาทำอะไรเสียหายเราก็ให้อภัยเขาไม่ถือโทษกอดเคือง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไปอันนี้ก็คือการแสดงความเมตตาต่อคนที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยกรุณาก็คือถ้าเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือเขาไปอย่าดูดายอย่าใ้จืดใจดำพอที่จะต้องช่วยกันก็ช่วยกันไปเรียกว่าการุณาถ้าเขาได้ดิบได้ดีก็อย่าไปช้าเขาให้แสดงความชื่นชมยินดีกับความเจริญของเขา แล้วถ้าเขาเป็นอะไรแล้วเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจเป็นอูเบกขาอย่าไปทุกข์กับเขาเพราะเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำใจถือว่าเป็นกรรมของเขาไปสัต่ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอะไรไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปถ้าเราช่วยด้วยก็ช่วยไปทำอะไรได้ก็ทำไปถ้าทำแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ต้องทำใจเฉยๆไป